Pagavato Arhatosama Samputitsa Namo Tatsa Pagavato Arhatosama Samputitsa Namo Tatsa Pagavato Arhatosama Samputitsa พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆัง ตติยัมปิธัมมัง serenang คัจฉามิปุริยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปุริยัมปิ ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิปาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปาติยัมปิสังฆังสรณัง อ้าววันนี้วันที่ 26 ธันวาคม 2557 แล้วขาลชื่อเรื่อยๆเรื่อยๆเรมันก็ 31 แล้ว 31 ธันวาคมวัน เออปีนึงก็ผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเอออย่างอาตมาเนี่ยรอบเอ 81 ผ่าน 6 เดือนไป 81 นี่ 5 ธันวาคม 6 เดือนมันเลย 5 ธันวาคมมาจนสิ้นธันวาละน่ะมันย่าง 81 ละพอ 6 เดือนมาละก็ผ่านไปเอออาตมาก็จริงๆเหรอไม่รู้สึกว่ามัน 81, 81 ยังไงเอ๊ะเรา 30 40 อะไรอย่างเงี้ยอ่าเอาจริงเพราะว่าอาตมามันไม่ได้รู้สึกนั่งก็ยากยากโอ๊ยตรงนั้นก็ลำบากจะเดินจะก็งงอย่างงี้อะไรอยู่เมื่อก็ที่ท่านเป็นๆกันน่ะนะเลยแล้ว เออแต่ว่าดูหนังๆมันย่นๆเหมือนกันนะดูเนื้อๆหนังๆตัวเอกเออย่นๆเหมือนกันเออมันก็ต้องยอมรับความจริงๆนะ ตั้งใจอยู่เพื่อ 8 ออเนี่ยมีอิธิบาทเป็นตัวนําอาตมามีอิทธิบาทมีอิทธิบาท 1 มีอิทธิบาท 2 มีอารมณ์นี่ คืออายุคนน่ะในที่อาตมาว่าเอ่ออารมณ์ของเราพออาตมามันไม่ได้ถอนอายุก็เพราะว่ามันไม่ถอนคือบัตรถอนนะไม่ได้ถอนคือแลกไปแลกมาอ่าเหมือนอย่างเขาทํางานแล้วก็มีทั้ง น่ะมีโครงการนั้นโครงการนี้ทําไปแล้วมันได้เงินทอนอะไรอย่างงี้มันใช่นะทอนนี่คือมันทอนบันทอนอายุ อารมณ์คนที่โกรธก็ดีโลภเป็นอารมณ์ที่สปาร์คไอ้จิตวิญญาณมันเหมือนเป็นเลยเป็นพลัง ตอนพลังงานสูญเสียมรรคบันธรชีวิตบันธรความยาวยืนของชีวิตไป มันเป็นจริงเป็นจริงๆมันจะช่วยชีวิตได้มากเลยนะมันเป็นสิ่ง เค้าก็ทําใจให้ไม่เกิดอารมณ์เพราะฉะนั้นพวกนี้เทวนิยมที่เค้ามี ทำให้จิตเย็นทําให้จิตสงบเพราะฉะนั้นไม่ ไม่ค่อยยาวจืนเท่าเขาแต่อีกอันนึงของ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่วิเศษหรือพิเศษอีกอย่างนึงนะเจ้าตนนําด้วยเรื่องเหล่านี้ก็ว่าแถมนะอธิบายแถมนะวันนี้อาตมา เพื่อที่จะให้รู้ให้เข้าใจความเป็นกายที่สมบูรณ์เพราะความเป็นกาย เพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดมิจฉาทิฐิต่อคําว่ากายก็สัญญาผิดก็ผิดเมื่อสัญญาผิดกําหนดกายก็ผิดเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าที่จะ 9 ก็มี 2 ว่ากายกับว่าสัญญาในสัตตวาท มีคําเมื่อไม่รู้ความเป็นสัตว์กายกับกรรมสัญญาที่เป็น เหตุแห่งการเกิดแห่งการๆเลยถึงขั้นอนุสัยของของเหตุถึงขั้นอนุสัยของเหตุทางจิตวิญญาณเช่นสัตว์สัตว์นรก ก็ไม่รู้คํารูปรูปที่รู้ความเป็นกายอ่ายามิกเช่นเมื่อเข้าใจ เพราะฉะนั้นก็จะเรียนเรื่องเขาเห็นสัตร์แล้วเขาเกิด yaw n wi a n t h e t h y n o n สมาธิรู้มีจิตทางสมาธิมีชาญ มีสมาธิ�i s h i n o n r ver itu b e s y a t h e d t o n t c e r i e t l e a s h e s e r e s e t a t e l a bronze JR, เป็นเส้นแสงเงาสีน่ะเป็นกายอย่างงั้นน่ะน่ะแล้วก็จะไม่รู้ อัตตาของจิตวิญญาณโดยเฉพาะอัตตาของ 1 คําว่าสกายะจะต้องมีทฤษฎีหรือ ความรู้ความเห็นความเข้าใจหรือวิธีปฏิบัติสามารถที่จะ องค์ประชุมของรูปและนามถ้าไปตัดคําว่าองค์ประชุมของ ตั้งแต่ตัวต้นเลยสัตตวาท 9 ข้อข้อที่ 1 ก็เห็นกายต่างกันเห็นและสัญญาต่างกันเค้าก็จะสัญญา แค่มหาภูตรูปหรือแค่รูปร่างแค่เส้นแสงเงา ไม่รู้เรื่องเข้าใจไม่ไม่เข้าใจเลยเค้าจะตัดเห็นกายแล้วเห็นสัตว์นรกเป็น 9 เนี่ยนะเช่นพวกมนุษย์พวก หรือพวกสัตว์วินิบาตบางหลอกพวกสัตว์นรกเองสัตว์วินิบาตสัตว์บางหลอกจะเห็นจิตอันนี้ต้องเห็น เขาจะไม่หมายถึงจิตสูงมนุษย์คือจิตวิญญาณจิตใจ เพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาเป็นเทวดาที่เป็นสมุติเทพว่าเสพรสเป็นอารมณ์เป็นเวทนาเป็นจิตในจิตพิจารณาเข้าไปหาจิตไม่ได้ องค์ประชุมของกายคือรูปและนามที่มี จิตใจของคนเพราะฉะนั้นสัตถิว่านี้ก็ว่าไปนิมิตเอาปั้นรูปร่างเอา เอ่อมีถือไม้ดวงดาวเค้าปิ๊งๆๆๆอะไรเงี้ยมันมันก็เลยไปตาม สติปัฏฐาน 4 กายในกายเวทนาในหมดเพราะเช่นคําสําคัญสําคัญที่อาตมา จิตวิญญาณนั่นแหละองค์ประชุมของนามรูปนั่นแหละในจิต องค์ ประ중 ของกายร่างกายถ้าบอกว่ากายกรรมคุณก็เอาไอ้มือไม้พวกนี้ล่ะกายกรรมนี่ เท่านั้นวจีวิญญาณก็ไปเอาข้างนอกเท่านั้นแต่อาการวิญญาณคือเพราะเราจะเห็นอาการเคลื่อนไหวที่อาการกามที่ หมดรถไปแล้วหมดความเคลื่อนไหวในองค์ประชุมของวจีสังขารหรือเป็นองค์ประชุมของวจีหรือกายสังขารๆก็ รูปนามนั่นแหละเข้าใจเรื่องรูปก็ละอย่างถูกต้องแท้จริงพระมีสักขี อาสวะบางอย่างน่ะอาสวะบาง 8 ด้วยกายสําเร็จเอเรียบทอยู่เอ่อ เป็นจะต้องมีความเป็นจริงว่าได้จะต้องเป 8 ด้วยกายคําว่ากายคํานี้เป็นเงื่อนไขหลักสําคัญถ้าบริบูรณ์คุณปฏิบัติยัง แล้วคุณจะตัดสินคุณเป็นอรหันต์ได้ยังไงตัดสิน หรือถูกดูแคลนหรือว่ามายกตนข่มท่านๆถ้าๆแล้วมันเปล่าดายนะ สงสารว่าโอ้มีนะผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมมีอยู่ไม่ใช่น้อยเอ่อในวงการ ฉะนั้นก็พิจารณาต่อศึกษาต่อปฏิบัติไปด้วยสติปัฏฐาน 4 มีกายในกายก็ต้องพิจารณาแยกจักให้การ วันก่อนนี่มั้งไม่ใช่เมื่อวานเรื่องวานที่เอาเอ่ออิทธิวิธญาณมายืนยันน่ะอิทธิวิธญาณข้อเมื่อวานเนี่ยไม่ใช่อิทธิวิธญาณข้อต้น ได้แล้วรู้แล้วเมื่อวานนี้ด้วยนั่นน่ะนะในข้อ เป็นอันเดียวกันทั้งหมดน่ะเวทนากับกายองค์ประชุม ที่เป็นญาณอันวิเศษของพระพุทธเจ้าถ้ามีญาณนี้รู้เห็นจริงแล้วมันจะชัด นี่อาตมาไม่ได้ 230 ก็ 16 อาตมาเนี่ยเจออาตมาก็น่าข้อ 240 นี่พูดกัน 230 นี่หรอๆ โพธิรัตน์เนี่ยไม่เอาฐานน่ะถ้าอ่านท่านก็จะโอ้โหเรียกว่าสว่างอ๋อไปในๆๆเลยนี่ไม่เอาๆนะฟังๆนะแล้วจะเข้าใจ ท่านแปลว่าร่างกายในสูตรเนี้ยฟังดีๆเนี่ย มันก็ไปใหญ่เลยสิคนอ่านแล้วก็ไปหมดเลยแต่แต่กันนั้นก็ตามพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ชัดๆ จะพึงเบื่อนายบ้างคลายกำหนัดบ้างหลุดพ้นบ้างในร่างกายหรือในกายะไปหมายเอาร่างกายในร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตะทั้งขยายความให้ชัดว่าดินน้ำ ในร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตะทั้ง 4 ปุถุชนผู้มิได้สดับแต่แต่ๆแต่ตถาคตเรียกร่างกาย ไปกายนี่พระพุทธเจ้าท่านบอกเนี่ยท่านบอกกับท่านเรียกวิญญาณนะปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่ อ่าเพราะว่าไม่ได้เรียนธรรมะพุทธเจ้าไม่ได้ฟังไม่ได้สดับธรรมะพุทธเจ้าแม้ฟังก็ฟังผิดๆเพราะฟังผิดๆก็ไปเบื่อที่แค่ร่างกายจะไม่เข้ามาหาจิตเลยแต่พระพุทธเจ้าท่านตัด จิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างปุถุชนไม่อาตเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นในจิตเป็นต้น นั่นเป็นตัวตนของเราดั่งนี้ตลอดฉะนั้นพุทธชนผู้มิได้สดับจึงไม่อาจจะ ไม่บอกชัดถ้าอีสานจะบอกสัตว์บ่ฮะสัตว์บ่เออสัตว์หลาย จึงจับผ่าเข้าไปยึดจะพึงเข้าไปยึดถือเอาร่าง คอนั้นเพราะเหตุไรพระร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตะรูปแห่งมหาภูตะทั้ง 4 นี้เมื่อดำรงอยู่ปี 1 บ้าง 2 ปีบ้าง 3 ปี 30 ปีบ้าง 40 50 ปีปีบ้างยิ่งกว่า 100 ปีบ้างย่อมแต่ เทวทัตถาคตเรียกร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาปุตรทุก ท่านตีความว่ากายร่างกายสรุปร่างกายคนปุถุชนก็ตามก็ พระพุทธเจ้าก็นั่นแหละมันเกิดแล้วมันก็เสื่อมแต่ท่านตีความเป็นจิตเลยท่านตีความเป็นจิตเลยจิตนั่นแหละมันไม่ได้เสื่อมแค่ปีนึงบ้าง 2 ปีบ้าง 5 ปีบ้าง 10 ปีบ้าง 20 ปีบ้าง 100 บ้างมันจะ ในกลางคืนบ้างในกลางวันน่ะเพราะฉะนั้นจะทั้งกลางวันและกลางคืนจิตมันก็เกิดเห็น อายุ 40 ปีค่อยๆเห็นว่าเสื่อม 50 ปีบาง 100 ปีค่อยเห็นเสื่อมใช่มะแต่มันเกิดขึ้นเสื่อม รอ 5 ปีรอ 10 ปีรอ 20 ปีรอ 50 ปีรอ 100 ปีมันไม่ได้ยืนยาวมันไม่ได้ ปล่อยกิ่งที่ยึดเดิมแล้วก็เเนวกิ่งใหม่ต่อไปชัด 4 นี้ที่ตถาคตเรียกว่าจิตเห็นมั้ยท่านตีเข้าไปหาจิตเลย จาก 233 พระพุทธเจ้าก็จับถึงเรื่องไปอย่างงั้นแหละต้องศึกษาตามปฏิจจสมุปบาทมันต่อเนื่องกันกายๆแต่แท้จริง ขยายหมดเลยทั้งกายทั้งรูปรูป 28 เจตสิก 52 จิต 89 อะไรพวกนี้เป็นต้นหรือจาก 121 ตามที่พระอภิธรรมท่านรวบรวม อ้อก่อนจะขยายสูตรนี้อีกก่อนสูตรนึงหลัง อาจจะขยายความอันนี้ 245 นะ, 24 นะ. 240 ที่เป็นอาหาร 4 คุณจะรู้ตกจักกามกามจะเกิดให้คุณรู้ได้ก็ต้องมีผัสสะและ รวมเป็นปรากฏเป็นอาการปรากฏเรียกว่าภาวะ แบบบุรุษบ้างแบบผู้หญิงบ้างแบบอิตถีบ้างแบบปุริสสาบ้างเป็นอัตอัตถัตตะหรือเป็น ประชุมกันทํางานร่วมกันตากับรูปหู 3 เป็นวิญญาณนั่นเองหรือจิตหรือมโนตามที่คือจิตมโนวิญญาณอย่างที่ผ่านมา ไปเป็นอาการของอิทธัตตะหรือปุริสสัตตะซึ่งก่อนอื่นก่อนที่มันจะเป็นปุริสสัตตะมัน มันอยู่เป็นอิฐฐัตตะเพราะงั้นก็ต้องอ่านอาการอิฐฐัตตะนี้ให้ออกเป็นอิฐถินทรีย์มันดิ้น สัตว์นรกที่เป็นให้หมอก็พาให้ตัดเข้าอะไรหมดทั้งจิตทั้งไรรู้เจ็บก็เจ็บๆนานานั่นละๆมัน ทิฐิเป็นกำลังที่แรงจับด้วยความหลงหลงว่าจะต้องให้เด็กๆฟังเข้าเนี่ยเด็กๆไม่ น่ะมีผู้ใหญ่กันทั้งนั้นน่ะผู้ใหญ่นั่น <c oughs> เมื่อเราจะต้องทําให้เป็นปุริสสินสีเป็นภาวะที่สงบลงสงบลงจนกระทั่งเป็นเอกกตาจนกระทั่งเป็นเอกบุรุษสมบูรณ์เลยจึงจะเป็นภาวะที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ความเป็นชีวิตมีรู้หทัยรูปรู้ชีวิตรูปรู้อาหาร จนกระทั่งมุทุตาจัดให้เป็นวิการรูปได้ทั้งในลักษณะกรรมัญญตาและแม้แต่ในข้าง แต่เผอว่าข้างในวิการรูปซึ่งกายๆกันจะสมาธิทิ มรรคองค์ 8 ที่ท่าน 8 เนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะเรื่อง 1 เป็นอันเดียวก็ได้หลายอันเป็น 1 ก็ได้เนี่ยอาตมารู้มันต่อ มโนไปอีกเท่าไหร่วิญญาณไปอีกเท่าไปเจ 89 เจตสิกไป 52 อะไรพวกนี้ก็ขยายไปได้ถ้าแล้วแล้วก็มันจะมีญาณอิทธิวิธญาณอย่างนั้นจริงๆเลยนะอย่างที่อาตมา เหมือนกลับไปกับแม้ๆนะอ่ะทีนี้มาฟังอัตถิราคะสูตรนะอัตถิเนี่ยแปล ดูกรภิกษุทั้งหลายอาหาร 4 อย่างนี้อาหารสัง 4 อย่างอาหาร 4 อย่างเพื่อความดํารงอาหารอยอย 4 อย่างนั้นคือ 1 กวลิงคารอาหาร 2 2 ผัสสาหาน 3 มโนสังเจตนาหาน 4 วิญญาณอาหารอาหาร 4 อย่างนี้แลเพื่อดํารงอยู่ของสัตว์ วิญญาณก็ตั้งอยู่งอกงามในกวลิงกราอาหารนั้นถ้ามันยังชอบใจอาหาร วันใดที่ใดก็คือทัยยรูปของชีวิตตน 4 ก็มันก็เจริญเจริญน่ะงอกงามพอไปยินดีตัวยินหนาพวก กธรรมเปปุตุชนคือผู้ที่ยังหนาเนี่ยอันนี้อย่างเงี้ยหนาน่ะกิเลสราคะกิเลสกามหนา ไปตัวเดียวกันหมดเลยไล่ไปหมดเลยเป็นตัว ย่อมมีชาติชรามรณะต่อไปในที่ใดมีชาติชรามรณะต่อไปเรา น่าขะเลยจุดๆยินดีอยู่ต่อมาถ้าคุณมีปัสสะๆๆก็จะเป็นงี้แหละก็จะเกิดน้ํารูปก็จะเกิดเอ่อรูปเกิดสังขารเกิดภพใหม่แห่งสังขาร ก็เบียนกันอีกจุดๆๆๆก็ 4 อาหารที่ 4 ครับกับสิ่งกราอาหารผัสสะอาหาร วิญญาณก็ตั้งจริงๆแล้ววิญญาณนั้นมันเป็นวิญญาณเทวดาตอบเป็นเทวดาเทวดาสุขขันติ เป็นสมุทัยแห่งผีเป็นตัวผีตัวทุกข์ตัว เห็นมั้ยอาตมาผู้นี้ไม่ได้โม้เม้จับแพชชน ย่อมมีการหยั่งลงแห่งนามรูปใน ทีมนั้นมีความคับแคนไม่พ้นจากทุกไปได้ความโศกมีทุรีมีความขับเช่นเรามีมโนสัญเจตนาตัว สมก็ยินดีในนั้นก็เป็นเทวดาเก้ก็ยินดีในนั้นเพราะฉะนั้นก็เกิดพบเกิด นี่ล่ะคืออิทธิวิธญาณนี่ล่ะคืออิทธิวิธญาณที่เอกโกเอ่อเอกโภิหุตตวาพหุทาโหติพหุทาปิหุตตวาเอกโกโหติอ่าจากเฝื่องโพธิรัตน์พูดภาษาบาลีได้ได้แล้วเมื่อวานนี่กุกกักกุกกักอยู่พูดไม่ วันนี้ชักนะทําเท่ทําพูดได้อ่าเอาล่ะนะอาตมาอธิบายขยายความไปอีกนะอาตมาก็ ยินดีไอ้คําเอ่อคําว่า ความยินดีมาจากคําวราคะก็คือดูคือนันทินะและความทยานอยาก นันทิตัณหามีอยู่ในกวริงคราหันไส้ พอบอกว่าความยินดีมันเบาๆมันเหมือนมันชินๆน่ะเนาะความแล้วคิดดูความจริงที่แหละพวกเราเนี่ยปฏิบัติธรรมปานนี้แล้วผ่านมา มันก็ยังไม่รางร้างลาไปจากจิตหมดสาธุแม่ดีจังเลยนี่ อะไรใส่ใจในความเอาอะไรพากเพียรอยู่ไม่นานนักๆเนี่ยๆแล้วก็ เดี๋ยวพอไปยินดีให้มันอ้าวมันเลย นั่นเนี่ยขาดทุนก่อนมีสติสัมปชัญญะปัญญาให้รู้เลย ก็ตั้งหลักใหม่คุณก็ตั้งหลักต่อได้ก็อาหารต่อก็จะกินอยู่ต่อคุณก็ตั้งหลักได้ใช่มั้ยมีอยู่ อะไรหยดน้ําค้างอย่างเงี้ยก็อะไรที่พระพุทธเจ้าท่านบอกมันเกิดมามันหายไปมันตัวอร่อยน่ะตั้งอยู่แต่ตัว มันเกิดขึ้นดวงหนึ่งแล้วก็ตัดไปดวงหนึ่งแป๊บๆๆๆใช่มั้ยเลยให้ๆนะคุณเกิดความเบื่อหน่ายนั่น สำรวมอินทรีย์เวลาจะกินก็ต้องสำรวมอ่าสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายจะ มาแล้วชี้ชวนมาแล้วเพื่อนถ้าไอ้เพื่อนผีทั้งหลายแลปลุกชวนกันมาเลยเข้ามาไปภาษาอีสานโอ้โหจะเป็นนัวจะเป็นแซ่บ มันยากนะอาตมาว่าทั้งนั้นน่ะคนเราบอกเออใช่แล้วมันจะลดได้จริงเหรอใคร ไอ้ที่ลดหมดเลยมีมั้ยไม่มีเหรออ้าวคนบาง ปัสสะโดยเฉพาะพิจารณาอย่างนี้แหละอาหารแค่เนี้ยกวลิงกราอาหารนี่ ปฏิบัติอย่างนี้แหละจะเป็นพระอรหันต์เข้าปลาก็เขาก็ทําดีไม่ดีหรอกหลงปลาหมดนะอะไรเหวเอ่ออลห้อยอลขออะไรก็ไม่รู้ แบบนี้มันไม่น่าอยากจะมาปฏิบัติหรอกโอ้โหมันเสียวหมดที่ไม่อร่อยไม่สวยไม่งามไม่ตายๆๆๆๆ ก็อธิบายก็พูดตรงๆก็แล้วกันอาตมาๆก็คือพูดตัวเองเอาตัวเองหวั่นกัน เออเหมือนอย่างขออภัยนะจะยกตัวอย่างของพระพุทธเจ้าแต่ว่าอาตมาไม่ได้ดีไม่ได้ๆนั้น <premises, S 2> like อ่าอย่างอาตมาเนี่ยเค้าตัวถ้าลึกๆเออมันน่าจะจริงกันนะแล้วก็ก็ต้องบอกว่าแล้วอวดทําไมเอ้าเอ่อลึกๆอาจจะนั่นไปใส่ใส่ใส่โทษไปเลยว่าอยากอวดใช่ บัญญาย unlucky เหลาอะไร Wasn't good to have about its new future ถือเท่านั้นเอง ウanta doin't the minhaup複 new father Hey he wasn't back to his trees ay been in the front of to show that's the пов頻 ยืนยัล stór pore in front of me Pendulum And made an accident I had to show it him C submarine stylish ของ he didn't like me Sην of course any kind your life C subscribomag dao But yeah 今 a world Russian Full Tsun เพราะผมมารู้ผมมาปฏิบัติมันนานมันก็ไม่มีปัญหามากแต่พวกเรายังติดอยู่มากติดมาก่อนมาเก่ามันยังล้างไม่ได้จริงมันยังๆมันก็คงแม้ทํา อย่าเพรยเห็นจริงๆมันจําเป็นไปไม่ได้แล้วผู้ใดที่ทําๆนั่นแหละหรือยิ่งใครเห็นตัวหมด เป็นการหมดในการเรียนรู้อย่างมีสภาวะมีสติสัปปชัญญะเห็นจริงมีปัญญาเกิดชัดความรู้แจ้งรู้จริงเป็นปัญญาเป็นญาณปัญญาเป็นวิชชาเกิดชัดแล้วโอ้มันเป็น น่ะถ้าต้องไปได้อย่างนี้ถ้าได้อย่างนี้ก็ยังชื่นอกชื่นใจยังไม่อยู่จุดจบแต่ถ้ามันมากมันก็จะต้องอยาก นะไอ้เรื่องไอ้เพศทั้งเพศเรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องอะไรกันเนี่ยนะทุกอาตมา มีมันเหลือชิ้นเดียวนึงไปซื้อ 25 ตังค์นะ 25 ตังค์ก็ซื้อแล้วไปไปไปธุระตั้งนานก็มีลูกค้ามาหา กระทำนี้มั้ยเหลือแม็กบุกแม่ค้ากําลังเลเอ๊ะมันก็มีไม่มาเอาสักทีซื้อแล้วนะไม่มาเอาไอ้นี่ก็เจอเฮ้ยนม กูซื้อแล้วไอ้นำเคยนี่จ่ายตังค์ไปแล้วไม่ฟังเสียงแทงตายนี่เป็นข่าวทางหนังสือพิมพ์อาตมาจำตายก็มันแย่งขนมมอแกง แค่ของกินแค่รถแค่นั้นน่ะเพราะงั้นมันแย่งผู้หญิงแย่งผู้ชายแย่งไอ้ของที่อะไรขาดนั้นน่ะโธ่มันฆ่ากันตายๆว่าโอ้เราจะ ก็ขออภัยยกตัวอย่างตัวเองอาตมาทุกวันนี้สบายมากเลยกับข้าวกับน้ําก็ทําให้กินอย่างใดกิน 40 50 60 ปีแล้วก็ หลายอย่างอาตมาทํามารถจักรอะไรอะไรตะวัติไปก็รถโรงรถโรงโรงเจอทั้ง ที่พูดนี่ยืนยันอ้างอย่างเห็นว่าอาตมาก็ไม่ได้เกิดแม้หวยหาอาการจิตหวยหามีไหมอาการติดยึดอาการหวยหา นี่แล้วก็ละได้แล้วไอ้ละได้แล้วกลับมันเอออันนี้เออเราก็จําได้มันก็เกิดอาการแม้ไม่ ไปพบไปสัมผัสเออคนนั้นเค้ากินคนนี้เออคนนั้นเค้ากินกัน หรือมันไม่มีหรอกเออสัมผัสแล้วบางทีก็เออจําได้อยู่แต่พอมีสติรู้เออไปแล้วก็ด่างเราไปนู่นก็หรือว่าอะไรอวรอะไร สิ้นหรือไม่สิ้นพวกนี้คือความปฏิบัติความจริงความปฏิบัติความจริง ขาดเหตุปัจจัยของผีของกิเลสตัณหาร่วมปรุงอยู่เป็นอกุญญาภิสังขารเป็นสังขารที่เราได้ชําระกิเลสหมดแล้วอกุญยะแล้วจริงมันสังขาร ของธาตุจิตผีไม่มีธาตุจิตอะไรเสดจิตเสดเจตสิกอ่าเป็นเสด ราคะนันทิตัณหาได้ได้เกิดแล้วในจิตสัตว์ปัรก็มีฐานนิพพานว่างวางเฉยกลางไม่มีของสัตว์ ไม่มีอินทรีย์ความมีแต่ความอากาศเป็นอากาศธาตุพอได้ปฏิบัติจนกระทั่งในเรื่องนี้เฉพาะเรื่องนี้เรียกว่าปริเฉทรูปกรอบของเรื่องนี้ ปริจเฉทรูปเพราะงั้นอาหารรูปเครื่องอาศัยที่เป็นกวรินทรา เพราะคุณอ่านสภาพของจิตอันนี้รูปของคุณที่คุณอ่านเจอเพราะงั้นอาการของอิฐทัตตะอิฐทัตตะอาการของสิ่งที่ยังไม่เป็นเอกกบุรุษยัง มีเป็นภารณาปิติเป็นพรณาปิติๆเลยพรณาของสุขแพ้บางเบาเป็นละหุตา เท่าที่เร็วยิ่งก็เหยียดแขนออกคู่แขนเข้าจิตของเราก็เป็นมุทุตาจิต แต่แม้มันเกิดมันก็จะมี พร้อมไม่ได้หวงแหนไม่ได้แย่งไม่ได้ยึดมาเป็นเราเป็นของเราอ่ะมันก็มี ชีวิตเรามั่นใจว่าเราจะมามีชีวิตอยู่กับสังคมไม่ให้กิน เขาเห็นว่าเราอะไรขาดก็ไม่ให้กินก็ก็ปล่อยให้ตายแล้วก็ๆแล้ว จริงๆแล้วเราสามารถที่จะรู้ความจริงลึกๆพวกนี้แล้วมันจะมีส่วนเหลือเรียกว่าส่วนเหลือๆๆอ่ะอย่างสมมุติว่าในฐานะของอนาคามี เป็นแต่เพียงว่าคุณไม่ถึงขั้นเป็นอรหันต์นะ อย่าเป็นหลงในภาวะเป็นหลงในภาวะอันเป็นอปปัญจรามตาอย่าไปยินดีในความเนิ่นช้ามันอันนี้ เหลือจริงๆนี่เคยว่าที่อาตมาเคยบอกเคยว่าเอ๊ะมันง่ายหรือมันยาก มันจะเหลือน้อยมันดนิตคุณก็ไม่ประมาทก็พยายามภาคเปลี่ยนระลึกไปทุกทีเห็นไปทุกทีมันมัน ก็ยันจิตวิญญาณเราอยู่ในโลกเค้าด้วยกรรมัญญตาก็อยู่กับเหตุปัจจัยอยู่กับลาภอะไรก็ตามที่โลกเค้ามีอยู่เราไม่แย่งไม่ เราเองเป็นคนดีเองเป็นคนดีเป็นคนเสียสละเป็นคนรับใช้สังคมเป็นคนมีประโยชน์ไม่ต้องกลัวหลอกแต่แต่ แต่กายกรรมวจีกรรมไม่เอาท่าเลยไม่เอาทานเลยหยาบเลวไม่เข้าไม่น่าศรัทธาเลยถ้าจริงๆตัวเราเองก็ วาสนานี่หมายความว่ามันติดตัวติดตนมาตั้ง จิตที่เป็นพลังประธานเป็นมุทุปุตธาตุเป็นธาตุที่ดัดได้เร็วเปลี่ยนปรับได้เร็วเปลี่ยนได้เร็วมันจริงมันทําได้จริงนะ อภิธรรมๆที่พวกคุณฟังกันแล้วไปนี่พวกคุณฟังกันแล้วนี่พอตามสภาวะ ไม่หวังเอาจริงๆภาคเพียนเพียรอาตมาก็ย้ําว่าความ <c oughs> เรื่องเก่าไม่ได้เรื่องใหม่เลยเรเรเร 5 ประการได <Yeah. S> 1 ได้ฟังสิ่งเออมีใหม่เสริมมีใหม่ 2 เข้าใจ สามทิฏฐิเราตรงขึ้นอีกอ่าฮะฮะอกังขาก่อนนะบันเทาความสงสัยก่อนเข้าใจขึ้นก็ เริ่มใสศรัทธาพองดีอ่าจิตสบายอ่าจิตตมัสสะเรเร 5 ประการเพราะได้ฟังธรรมนี่นี่น่ะเป็นการ 5 ประการนี้ทุกทีคุณก็ได้อัน ที่จะพาไปถึงการบรรลุยิ่งจริงๆเกิดอิทธิบาทเกิดยินดีเมื่อยินดีวิริยะก็มีเพิ่มขึ้นจริง ท่านแปลเอาความว่าพิจารณาไตรตรองก็พิจารณา เพราะยิ่งฟังก็ยิ่งจะโอ้โหยิ่งจะมันมีธรรมรสอร่อยมั้ยธรรมรสนั้นไม่ได้ถามเรื่องของรถราคากิเลส นะที่มันตรงพูดไปเห็นชัดๆนะอ้าวอาตมาบรรยาย อ่าใครใกล้นั้นก่อนยกมือเอาใครยกมืออีกก็ แล้วก็มันมีเรื่องที่มัน 2-3 วันก่อนวันนี้คือช่วงนี้บ้านก็ ขออ้างถึงนะฮะแม่บ้านเค้าก็บอกทั้งๆ แล้วไม่เคยคิดว่าจะกลับไปกินแต่มันขึ้น มันเป็นมันๆหน่อยๆนิดๆซึ่งมันก็ต้อง เลนน้อยเนี่ยยิ่งช้ามันจะยะร้อนร้อนๆอยู่นั่นร้อนคุณจะไปรำคาญคุณก็จะต้องตั้งใจพิจารณาเห็นนะครับอ่าอ่านความจริงด้วยเกิดปัญญาพลังสัญญะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกบทที่มีมีอาการเกิดเห็นมันคุณต้องสัมผัสมันทุกทีทุกทีเพราะความ มันจะเปลี่ยนมันจะขจัดออกมันจะปรับมันจะปรับมันจะสังคานสังคานก็ ตรงเนี้ยครับมันก็เลยรู้ว่าอันนี้อาตมาก็ว่าไอ้เหลือน้อยนิดๆว่ามันมันแหมมันจะตัด ตัดสินยากขอบคุณครับอ้าวอ้าวใครต่อมาใครได้ไมโครโฟนแล้วยกมือใครได้แล้วใครที่ต่ออ้าวเอาแล้วเดี๋ยวไมโครโฟนก็จะไปหาแล้วก็จะได้ไม่ ฟังพระครูเนี่ยปกติดิฉันหลับตลอดเพราะไม่รู้เรื่องภาษาบาลีๆอ๋ออ้าวก็ไป มันน่ากลัวโอ๊ยฝ่ายเสียงทําไมมันหอนจังเลยมันฟีดแบคน่ะเอ้าเอ้าฝ่าย ไม่เข้าใจว่าเค้าเป็นอะไรเมื่อก่อนนะฮะเค้าเป็นอะไรทําไมก็กระสับกระส่ายเค้าวิ่งหาบุหรี่ไม่มี เหลือแค่ไหนก็ต้องไปรถติดแค่ไหนก็ต้องไปจ่ายเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายพอมาถึงวันนี้ก็เลยเข้าใจเลยว่าเฮ้ย มันทั้งหมดอ่ะเปิ้นสิ่งเสพติดมันของง่ายเปิ้นของพื้นพื้นสิ่งเสพติดในคนทั่วธรรมดาหรือคนไม่อะไร มันๆเออไม่รู้มันเบาได้ยังไงแล้วมันเบาลงอ่ะเราคือไม่เหมือนเมื่อก่อนดิยังจับได้ตอนถ่านมือเดียวเนี่ยต้องตักมาเยอะๆกลัว แต่ก็ติดตัวตัวตัวเบาๆนี่พระครูติดตัวจื่ออ้าวเดี๋ยวๆบอกแล้วว่าค่อยๆเดินค่อยๆไปพิจารณาอย่าประมาทอย่าจริงๆมันก็ไม่ๆ คุณจะไม่รู้สึกว่าคุณเองบกพร่องเป็นคนสูญเสียเป็นคนขาดทุนเป็นคนที่ไม่น่า โอ้โหมันคำว่ายิ่งกว่าสวรรค์คาไลวันนี้ยามราตรีของผมใช่ใช่อ้าว อืมเหมือนกับลิงในป่าอืมเมื่อจับไม้กิ่งนี้ในถ้วยไม้แล้วก็ปล่อย อ่าได้รับคําอธิบายจากพระครูละเอียดอาตมาขอพระพุทธเจ้ามาดึงจะไปกี่จับกี่ไม้นั้นจริงไม้นี้ไม่ใช่ขอคําอธิบายของอาตมาอาตมาอ่านของพระๆอย่างหลายๆในกัน ค่ะดิฉันพิมพ์เพชรรุ่งค่ะชัดๆดิฉันพิมพ์เพชรรุ่งณอสอบตระกูลค่ะเออจะค่ะคืออย่างงี้แต่โนค่ะไปกําหนด ให้มีรสชาติจืดชืดให้ไม่มีไม่มีสี เพื่อเราเพื่อบำเรอตนหรืออนุโลมเพื่อผู้อื่นต้องใช้คําว่าอนุโลมเพื่อผู้อื่นอ่าเราต้องเข้าใจว่า เขาก็ยังไม่ใช่เราก็ยังไม่ใช่เราเขาทํายังไม่ได้เขายังเข แต่คนเค้าติดอยู่เราก็ทําเป็นๆลดค่อยๆทําให้พอๆระดับต้อง ไม่มอมเมาไปเลยอร่อยจนมอมเมาเราก็ประกอบเราก็มีเกณฑ์ว่าเรา ก็ต้องอย่างนี้แหละไม่แล้วก็มีคล้องได้หลายระดับก็ค่อยเรามีศิลปะในการที่จะบอกเค้าให้เค้ารู้ว่าเออนี่ บางคนข้างนอกเนี่ยเราก็อนุโลมประมาณนึงร้านเผยอาหารมังสวิรัตเนี่ยประเด็นหลักเราไม่ใช่จะสัตว์ มันก็ไม่ถึงกับขนาดที่ว่ามันมันกินไม่ไหวจริงๆนะเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ เอาใจคนกินเลยใจเปลี่ยนแปลงไปตามจิตกินเลยรูปรสเปลี่ยนเสียงสัมผัสเปลี่ยนแปลงไปตามจิตน่ะเนี่ยต้องก็รู้ว่ามันๆเพราะ มาอุดมมากก็ต้องใช้รถใช้การปรุงแต่งอย่างนั้นอย่างนี้หลายขบวนท่าใช่ป่ะเค้าก็ทํา น่ะพยายามมีอาหารอย่างนี้อย่างนี้เป็นธาตุอาหารอย่างๆนานาแม้ที่สุดมันจะเป็นรสเป็นให้ เราอยู่กับสังคมทางของสังคมโดยเฉพาะเราไปออก ก็เป็นตามลําดับที่เราจะทําให้มันเหมาะมันควรที่ขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นกิเลสมันก็อ้วนติดเตอะมันโง่ๆหลงก็พิชชาจริงแล้วเค้า เมื่อรู้แล้วว่าทิศทางในการที่จะปฏิบัติเจริญมันคือลด ปาริสัญญุตตาในสังคมกลุ่มนั้นในสังคมกลุ่มนี้บุคคระปโรปรายุตตาในบุคคล <laughs> ต้องรู้จักประมาณก็ต้องรู้จักอนุโลมปฏิโลม ถ้าในการปฏิบัติท่านใช้ภาษาอยู่ ท่านจะใช้คําว่ากรรมัญญตาในภาษาไทยท่านจะพูดๆเหมือนกันว่าการงานนั้นเหมาะ <c oughs> โอเคเนี่ยเป็บขึ้นมาคํานึงมันคล้ายกันน่ะแต่ว่าอันผม ไม่ไม่น่าเชื่อเนาะเราพอมาจากหลวงภูมิจุลุมไม่น่าเชื่อว่ามาแล้วจับรูปจับอือก็เริ่มเริ่มเริ่มชัดต้องสิสังวรศีลคุณปฏิบัติศีลต้องจับรูปจับนามได้ถ้าเผลอว่าปฏิบัติศีล อติปัตติได้เกิดอติสีอติจิตอติปัญญาอติมุตอะไรเลยๆ ทำไมทำไมกายไม้ไม่ว่าจะร้องไห้หรือหรือบีบคั้นถึงหรือหรือหรือความสุขอ่ะเรื่องหัวล็อกก็ช่างเถอะที่สุดของมันก็จะกลายมาเป็นหลายๆเรื่องนะครับ อ่าอ่าอันนี้อ่ามันเป็น จะโดดจะเต้นจะฟูฟวาบจะร้อนเว่อธรรมดาเป็นเรื่องของอุปเพกขาปิติปิติ ท่านก็บางเบาอาศัยได้อาศัยแล้วมันก็ไม่ได้รุนแรงถ้ารักษาแล้วก็จึงเรียกว่ามี อาตมาถึงพวกนี้เนี่ยกลัวพวกที่เค้าไม่ได้รู้จักสัตว์สัตว์จับพวกนี้เนี่ยมันดีใจแต่ไอ้เรื่องกีฬากีฬาที่มันออด พยายามทําตัวอย่างครอบสูงๆๆๆสูงๆแรงขึ้นแรงขึ้นทุกเวลาเลยอาตมาว่าสักวันไม่อัน ไอ้นั่นมันดีใจน้ํามันตีลังกาพอดีมันคอมันไปผิดท่าปิตินี่แหละไอ้ๆตัวมันดีใจปิติ ทางวิทยาศาสตร์ทางสรีระก็ๆเพราะมันเป็นพลังงานจริงๆเลยเป็นพลังงานไม่รู้แล้วก็ก็ไม่พยายามที่จะครอบงําทาง บิ้วอารมณ์ใช่มั้ยบิ้วอารมณ์ให้มันแล้วมัน ตาอาตมาก็ไม่รู้จะทําไงอยู่ในสังคมจะเป็นไอ้แค่ขวางคลองเกินไปก็ไม่ได้นี่ก็โอ้ไอ้บรรชนะกันมาก็เหอะกันขนาดหนักขออภัยที่อาตมาไม่ ไม่อวิชชามันไม่รู้มันก็ไปติดอันอื่นๆๆๆหมดเลยมันก็ไปติด ก็ลองคิดดูสิว่ามันเหมาะๆเค้าไม่ได้มีความดาราเห็นมั้ยน่ะฟิลิปปินส์ไป ไม่กี่ปีหนักเข้าก็เลยต้องถูก ปะรือว่าไปพูดอะไรไปทําอะไรพวกเนี้ยมันปนกันมันแฝงๆมันปนอยู่เค้าศรัทธาอะไรแต่ไอ้ที่คุณไปพยายามจะให้เอาไปเป็นตัวพรีเซนเตอร์ของอันนั้นมันคนละเรื่องกันมันคนละเรื่องกันเพราะ อบายะมันเค้าก็ไม่ได้นะอันนั้นเป็นของข้างเคียงตัวนั้นสิ่งที่เค้าติดมันไม่เอาไอ้นี่มันเป็นกระไสล่อมันไม่ไปหรอกมันไม่ไปหรอกเพราะฉะนั้นอาตมาก็พูดแล้วก็เหมือนอาตมานี่ไม่ได้แค่ขวางคลองอย่างที่ว่าเนี่ยน่ะ อ่ะเตือนไว้เตือนสติไว้น่ะเนี่ยทางโน้นเขียนมาให้ปิ๋มน่ะสวีเดนนี่มา แต่เดิมนี่ไปเป็นประชากรของสวีเดนไปละ สำคัญแหละนะถ้าเพื่อว่าจะใช้ให้มันถูกต้องมันก็สําคัญถ้าจะใช้โดยเนื้อหามันก็ไม่ค่อยเป็นคํานามมนสิกการ ปฏิกิริยามนสิกรโอติส่วนมนสิกานนี่เป็นคํานามคํากล่าวเป็นคํานามว่า ในภาษาในอะไรที่จะถูกตัวเองน่ะถ้าจะใช้ 5 นาที แบ่งกันสมณะใครจะเอาบ้างสมณะนักบวชฝ่ายหญิงไม่ได้ถือไว้แล้วอ้าวท่านฟ้าไทยเอาเลยวันนี้ เคยสงสัยตัวเอ้อนี่หมดหรือยังก็รู้สึกเออฟังวันนี้ก็คลายสงสัยไปได้อย่างชัดเจน 586 คนโดยเฉพาะส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กนะ ได้ 300 คนเนี่ย 150 คนหรือว่าเขาไม่ได้ประโยชน์เพราะว่าได้เข็มเขาไม่ได้ประโยชน์เพราะว่าได้เข็มหรือว่าเขาๆแล้วก็รวม ซึ่งมันก็เป็นตัวหลักก็คือสัตว chipsa และปัญญาของคนมีกําลัง prz feeling or divine เร่งซึ่งKKOR K.H.H. Or state need the desire or momentum with required freely, or degree gods because they can always hide skills or道 future eat names. สัตวรมิเงื่อหาทางไร against pr суer in rien, or give freedom alternative เพราะ Staggiad or island Superintastic IllLES สふของพระเฟรณรูปัญญามากเค slept the same. St 서로ра este Morning! ก็มาได้ อรรถเพวะนัยยะของศรัทธากับปัญญามันมีนัยยะต่างกันเท่า ก็ตีความได้ว่าทําไมมันน้อยลงมันมีเหตุปัจจัยเยอะนะมัน เพราะกําลังข้างนอกเนี่ยที่จะแสดง ที่อสงนี่ทํางานอยู่กับสังคมเผยแพร่นะเผยแพร่ทุกบรรยากาศ ยังไม่ค่อยกระเตื้องในการตั้งหลักๆเพราะฉะนั้นทั้งจน ทางเรื่องของฐานะฐานะนี่อาตมาว่า เพราะฉะนั้นจะให้มันกระเตื้องขึ้นมาสัมพันธ์กันขึ้นมาทากันแรงเจาะเข้า แต่เงียบ! แตแตเงเงเงียบแต่ไม่ใช่ว่าอยากจะปัญญาปัญญาน่ะไม่ อาตมาถึงอุ่นใจว่าในยุคนี้ยังมีผู้มีธุลีในดวงตาน้อยศรัทธาพระพุทธเจ้าคือคนเหล่านี้อยู่ในฆราวาสสมาคมเป็นผู้ที่มีปัญญา แต่แสดงออกในการส่งเสริมเห็นด้วยแสดงไม่ได้จึงเงียบการส่งเสริมเห็น แมจะเจริญช้าแมจะมีคนน้อยแมจะมีอะไร เมื่อไม่ถึงขีดหนึ่งก็ไม่ถึงการช่วยหรือว่าก็ 1 เม ะ, วย, อง, มา พอที่เขาจะอาศัยได้ทันทีเพราะ ร.ค. ล่างสร้างตัวช้าอย่างที่พูดไป เราจะมีอนุโลมมากกว่าสบายมันอุดมสมบูรณ์มันมีเหตุๆคือเค้า เขาจะต้องมาช่วยงานเยอะจะต้องว่าจริตของเค้าอ่ะอ่าเขาจะ มันตอนนี้ก็ชะลออยู่อย่างงี้แหละเพราะอัตราการก้าวหน้า เขาดูทีวีก็ได้อยู่เขาไม่จําเป็นจะต้องมาลงทุนก็ไม่จําเป็นจะต้องๆอย่างที่ต้อง ได้ไปแล้วเค้ายังเอามาคืนเลยก่อน ทีนี้คนนอกก็อย่างที่อาตมาอธิบายไปแล้วนี่ท่านเมื่อยทําไมอ่าบางทีมันแต่มัน จะทําแล้วไม่ได้มันก็รู้สึกไข้หน้าเหมือนกันนะอะไรงี้มันมีอัตตามันซับซ้อนอีกเยอะก็เลย นะเอาเหตุปัจจัยพวกนี้น่ะ